หนึ่งจุดสองหกมัคมีองค์แปดประชุมอยู่ในขณะจิตเดียวกันวงเล็บเปิดสี่มีนาคมสองพันห้าอห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่สิบวงเล็บปิดเวลาที่อรายาิยมรรคเกิดจิตจะอยู่ตรงฐานเป๊ะเลยเพราะตัวสัมมาสมาธิเนี่ยมันเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเข้าไว้ด้วยกันในพระสูตรสอนอย่างนั้นแล้วสัมมาสมาธิเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเข้าด้วยกัน ฉนั้นองค์มรรคทั้งเจ็ดรวมทั้งสัมมาสมาธิรวมเป็นแปดประชุมอยู่ในขณะจิตเดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน